เงินทุกบาททิาศคณะชาทย า, าิโยมจะถวายในช่วงนี้ถึงจะเป็นปัจจัยจํานวนไหนก็ตามเมื่อหลวงตาละทาตขันแล้วเงินทุกบาททุกจตางก็คงจะเอาเข้ า, าตามจุด ป, ประสงค์ขององค์หลวงตาก็หลวงตาท่านมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นกพรานั้นขอให้คณะชาทย า, า, าิโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าให้ปฏิบัติตามที่คำคำหลวงตาสั่ง หลวงตาสั่งเสียพวกเราพวกเราก็จะต้องปฏิบัติตามที่หลวงตาได้บอกกล่าว เ, เราจึงจะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่นะถ้าหากว่าพวกเร า, เามีความไม่ซื่อตรงอยู่เอเอปัจจัยจำนวนนี้เราจะใช้ยังไง เ, เพราะว่างานของหลวงตาขนาดนี้ดันนั้นไม่ต้องห่วงหาหลวงตามีหลายหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะ ผู้กระเป๋าตุงๆก็มีอยู่นะถ้าไม่ตุงก็หลายคนรวมกันกระหวนน้าใจของลูกหลานของหลวงตาเนี่เต็มเปี่ยมผูดพูดอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องจัดงานขององค์หลวงตานี่หลวงพ่อเองมั่นใจว่าคงจะไม่ขาดตกบกพร่องเพราะน้ําใจของอลูกหลานของหลวงตาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาเนี่เต็มเปี่ยมเพราะหลวงตาเป็นผู้ ยอมเสียสละมาแล้วเนี่ยพวกเราจะขี้เหนียวได้ยังไงใช่ไหมล่ะพวกเราจะเป็นขี้แตนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวได้อย่างไรเนี่ยเพราะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยยกหลวงตาอย่างสุดๆว่างั้นถเถอะอย่างไงจึงงานของหลวงตาจะสําเร็จร่วงไปด้วยดีนี่ยพวกเราในฐานะลูกหลานเนี่พระเนร ล, ลูกศิษย์ลูกหานี่จะทำอย่างไงเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็ตามเงินจํานวนที่เอามาถวายนี่ยเราจะเอาเข้า บัญชีหรือว่าซื้อทองคำเข้าคังหลวงทั้งหมดแล้วเราจะใช้ยังไงเงินต่อปลุงตาสอนอยู่แล้วนะลูกตาสอนอยู่แล้วเทศอยู่แล้วให้ใช้ปัญญานะพวกเราก็ใช้ปัญญาเเราก็รู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างกองทัพต้องไปด้วยท้องถ้าท้องไม่อิ่มเราจะเดินทัพได้ยังไงอันนี้เราก็ต้องช่วยกันคิดละท่านนีลูกศิษย์ลูกหาหลวงหลวงตานะ เพราะนั้นขอให้พวกคณะสัทยาธิยมทุกหมู่เหล่านะที่อยู่ไกลได้ฟังเอาไว้แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็พยายามกับคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อจุดใจที่ท่านเป็นจะเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสและจะเป็นเจ้าอาวาสแทนองค์หลวงตาต่อไปภายภาคหน้านะจะได้ดูแลวัดวาศาสนาแห่งนี้ต่อไปพวกเราก็มีแต่ว่าให้สนับสนุน หลวงพ่อสุดใจจะทำยังไงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบราบไปด้วยดีพินัยกรรมขององค์หลวงตาที่หลวงพ่อได้อ่านในวันวันหลวงตาละสังขารหลวงพ่อเองก็คงจะได้ไประชุมหาลือกับคณะที่หลวงตาได้แต่งตั้งเนีย่ยขึ้นมามีท่านผู้ใดบ้างหลวงพ่อก็คงจะขอเชิญมาประชุมร่วมกันเพื่อจะทำพินัยกรรมของหลวงตาให้ศักดิ์สิทธ ไปตามแนวที่หลวงตาได้มอบความไว้วางใจครอบมอบความไว้วางใจกับคณะผู้จะดำเนินการต่อไปที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ท่านลวงรับไปแล้วก็คือหลวงหลวงปู่ฟักสันติธรรมโมและกับพระปัญญาวัตโธหลวงพ่อปัญญาของเรามีสององค์ที่ได้จากไปแล้วก็ยังเหลืออยู่สององค์ฝ่ายพระนะ แล้วก็มีฝ่ายโยมด้วยทั้งฝ่ายโยมหลวงพ่อเองก็จะพยายามประสานและติดต่ อ, อคงจะเชิญมาร่วมประชุมกันเพื่อจะรับพินัยกรรมขององค์หลวงตาให้ศักดิ์สิทธิ์ให้ปฏิบัติตามคําสั่งเสียของหลวงตาหลวงตาสั่งเสียอย่างไรพวกเราในฐานะลูกก็ต้องพยายามทําใหา้ความประสงค์ของหลวงตานั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีราบรื่นดีงามาให้ดีที่สุด ในความเ็นที่เรานับรับภาระเรือว่ารับหน้าที่นี้มาเนี่ยหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคืออ่านครั้งนั้นศรัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมบางท่านบางคนก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ฟังในวิทยุหรือโทรทัศน์แต่คราวนี้ก็เหมือนกันอาจจะไม่ได้ฟังแต่หลวงพ่อจะย้ําอีกครั้งที่2องนะ น, น, นี้เป็นอ่านการเป็นครั้งที่2องพินัยกรรมธรรมที่วัดป่าบ้านตา อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2543ข้าพเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลว ง, วงเล็บพระมหาบัวยนสัมปันโนอายุ87ปีมีภูมิลำเนาอยู่ณนะวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอทำพิธีกรรมฉบับนี้ เพื่อให้ทราบทั่วกันว่าเมื่อข้าพเจ้ามรณภาพแล้วให้จัดการกับทรัพย์สินและงานศพของข้าพเจ้าดังนี้ข้อหนึ่งบรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในขณะที่ข้าพเจ้ามรณภาพและบรรดาทรัพย์สินต่างๆที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าให้จัดการดังนี้ หนึ่งหนึ่งส่วนที่เป็นทองคำให้หลอมเป็นทองคำแท่งหนึ่งส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินจ ก, กุลใดให้นำไปซื้อทองคำแท่งให้นำทองคำแท่งทั้งข้อหนึ่งหนึ่งและหนึ่งไปไปมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเงินทุนสํารองเงินตรา ของฝ่ายออกัตบธนาคารแห่งประเทศไทยโดยข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะให้บุคคลใดหรือคณะบุคคลใดนำไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากเป็นเงินทุนสำรองของประเทศไทยเท่านั้นข้อที่สองให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดงานศบและร่วมกันจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งปวง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 พระอาจารย์ฟักสันติธรรมโม 2. พระอาจารย์อินถวายสันตุสโก 3. พระปัญญาวัฒโธ 4. พระอาจารย์วันชัยวิจิตโต 5. ท่านองค์ขมนลตรีดเรเชาณศรีละวัน 6. นายสิริคูสกุล 7. หมอมราชวงศ์ทองสิริทองแถม 8. พนตำรวจเอกกิจสดา บรณะพาดิษเก้าพันตรีปัจจัยนารินรักข้อ4ข้าพเจ้าตั้งให้พระสุดใจทันตมโนข้อที่4นะข้าพเจ้าขอตั้งให้พระสุดใจทันตมโนเป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าพินัยกรรมฉบับนี้ทําไว้สามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันเก็บไว้ที่วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสองธนาคารพาณิชย์จำกัดสาขาอุดรธานีสธนาคารกสิกรไทยจำกัดสาขาอุดรธานีอันนี้หลวงตาทําไว้สามฉบับเก็บไว้ทันทีในที่ธนาคารที่ห้องนิรภัย่สองฉบับแล้วก็หลวงพ่อจุใจเก็บไว้หนึ่งฉบับพินัยกรรมฉบับนี้ ทำขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จึงลงชื่อไว้ต่อหน้าพญานลงชื่อพระมหาบัวยนัสัมปันโนผู้ทําพิณกรรมวงเล็บพระมหาบัวยนัสัมปันโนพระธรรมวิสุทธิมงคลข้าพเจ้าพระปัญญาวัตโธและ พระสุดใจทันตมโนขอรับรองว่าผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริงลงชื่อพระปัญญาวัตโธลงชื่อพระสุดใจทันตมโนพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้าพระสุดใจทันตมโนเป็นผู้พิมพ์เขียนเป็นผู้พิมพ์ทับเขียนลงชื่อ พระสุดใจท่านตามโนพิมพ์เขียนอันนี้คือพินัยกรรมองค์หลวงตาที่ท่านสั่งเสียบอกไว้เป็นเลยลักษ์อักษรเพราะนั้นเดี๋ยวนี้หลวงปู่ฟักท่านก็จากไปแล้วสร้างฝ่ายพระสงฆ์องค์ที่สองก็คือหลวงพ่ออินถวายสันตุสัสนตุสโกโยังมีชีวิตอยู่องค์ที่สามก็คือท่านปัญญาวัตทรโถ ท, ท่านมรณภาพไปแล้วคือพระ ท่านปัญญาคือพระฝรัง่งที่อยู่กับองคหลวงตา ม, มาตลอดเป็นคู่หน้ากับหลวงพ่อเชอรีนะองค์ที่สก็คือพระอาจารย์วันัยภูสังโฆแล้วก็ต่อไปก็เป็นคณะทธาญาติโยมเพราะนั้นหลวงพ่อเดี๋ยวนี้คล้ายๆว่าเป็นหัวหน้าเพราะว่าท่านเลี้ยงมาตามลําดับคือท่านอาจารย์หลวงปู่ฟักแล้วก็หลวงพ่ออินนะ เพราะนั้นหลวงพ่ออินยังมีชีวิตยอยู่หลวงพ่ออินจะได้เชิญคณะกรรมการทั้งที่ยังเหลืออยู่มาร่วมประชุมกันแต่จะเป็นวันไหนนั้นหลวงพ่อจะแจ้งให้ทราบอีกต่อไปเพื่อจะได้ดำเนินทำคาสั่งของลงตาให้ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นธรรมที่สุดให้ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นผลจุดท้ายเมื่อพระราทานเพลิงศพแล้ว เงินทุกบาททุกสตังค์ที่องค์หลวงตาได้สั่งก็ะจะซื้อทองคำเข้าคลังหลวงและมอบเข้าคลังหลวงต่อไปเพราะนั้นขอแจ้งให้คณะทายาิโยมทุกหมู่ทุกเหล่าทุกคณะทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกลที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเก่าแก่คงจะวิตกกังวลในเรื่องนี้หลวงพ่อเองก็ตระหนักใจว่าคณะทาญาิโยมคงจะวิตกกังวลเพราะนั้น อาตมาภาพเองหรือหลวงพ่อเองจะพยายามทําจุดนี้ให้ดีที่สุดจะไม่ให้ขาดตกบกพร่องจะดูแลวิภินัยกรรมขององค์หลวงตากับคณะสงฆ์หรือคณะสัตา ย, ยาธิย่าโยมที่วัดวัดป้าบันตาดพยายามทำดีที่สุดแล้วก็จะหลวงพ่อสุดใจก็ได้ประกาศเมื่อวานนี้ก็น่าเห็นใจท่านนะคณะสัตา ย, ยาธิย่โยมลูกหลานแต่ก่อนเมื่อโลกตาย ยังทรงท่าทรงขันอยู่ท่านก็มีบา ร, รมีคุ้มครองลูกหลานทุกหมู่ทุกเหล่าใครจะคิดทำอะไรก็มีหูมีตาก็มองลงหลว ง, งตาแต่บัดนี้หลวงตาของเราที่เป็นร่มโพล่มใส่ของพวกเราก็ได้โค่นลงไปแล้วอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เสียอกเสียใจอย่างกระทั่งยังมีความรู้สึกอย่างลึกๆอย่างมากๆถ้าร้องไห้ก็ไม่รู้จะร้องไห้อย่างไรจะไม่ จะทำยังไงหัวเราะไม่มีแล้วงั้นมีแต่เศร้าใจแล้วก็มีความทุกข์ในใจเหมือนกับร่มโพ ร, ร่มทรายอวาที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราท่านได้จากไปเสียแล้วในคราวนี้น ะ, ะแล้วก็พร้อมกันโลงพ่อสุใจเป็นผู้รักษาการก็ไม่อยากจะให้สิ่งไหนที่พอจะปิดกั้นเอาไว้ที่ดูแลไม่ทั่วถึงเพราะบาลีไม่ไม่เพียงพอจะคุ้มกองหรือคุ้มกัน ในจุดนั้นได้หลวงพ่อก็พยายามปรึกษากับคณะสงฆ์ที่อยู่ในวัดของท่านนี่แหละผมว่าน่าจะจุดไหนที่มันจะร่อแหลม เ, เพื่อจะให้ที่จะมันขอละหานินทากับพวกเราพรพวกเราควบคุมไม่ทั่ดถึงจุดนั้นก็คงจะตัดออกหรือว่าจัดออกซะดีไหมท่านก็คงจะตกปรึกษากันนะเมื่อวานท่านก็เลยเป็นพิมพ์เป็นหนังสือมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็อได้อ่านให้คณะสัตย า, ญญาติโยมฟัง บอกว่าจะตุปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงที่มาร่วมในงานศพขององค์หลวงตาของเราเนี่ยให้เอามาที่ศาลาเรือว่าจะมีตู้ถึงจะมีตู้กับปีหมายเลขนะเดี๋ยวนี้มีตู้เชฟทั้งหมดมีสิบกว่าตู้แต่ทําไมจึงมีหลายตู้ขนาดนี้เพราะว่าสัท ย, ยาญาติชมมีหลายหมู่หลายกลุ่มหลายคณ ะ, ะเข้ามาแล้วก็มองหาตู้บริจาคถึงใครจะบริจาคในตู้ไหนก็ตาม มันจะเชื่อมกันมาหากันทั้งหมดจะมีคณะกรรมการลิขหานคณะกรรมการของวัดที่หลวงพ่อจุดใจได้แต่งตั้งเอาไว้แล้วก็ทนาคารมานับอ่ามวนับเสร็จแล้วก็คงจะเอาจะตุ ป, ปใจัยเข้าบัญชีคลังหลวงอ่าต่อไปแล้วก็ขอให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เราให้รับทราบตามนี้ คือตอนวันไหนท่านจะบอกมาเองคณะกรรมการจะเป็นผู้มานับเสร็จแล้วก็เข้าฝ่าเข้าคลังเป็นวันวันวันวันวันวั น, วนไปถ้าวันไหนมากอาจจะมีสองครั้งก็ได้สุดแท้แต่ความเหมาะสมเรื่องการดูแลจุดตุปัจก่อนนี้นี่แล้วทองคำของหลวงตาก็ทราบพวกตาก็ทราบกันดี มีทั้งหมดถึงสิบสอตันกว่าแต่ น, นี้กับกว่าเนี่ยไม่รู้กว่าเท่าไหร่แตคุณชายป๋ำคงจะแจ้งให้ทราบต่อภายหลังเพราะคุณชายปั๋ำเป็นผู้ควบคุมยอดของทองคําอยู่หลอมเท่าไหร่ได้กี่กิโลในที่ยังที่ยังไม่เอาเข้าคลังหลวงต่อไปอันนี้ก็คงจะแต่ทุกวันที่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ชัทช้ญาติโยมลูกหลานอยากจะทําบุญกับทองคําก็มาได้นะไม่ยังไม่ ยังไม่ปิดนะบัญชีจุดนี้มาได้ เ, เงินทุกบาททุกสตางค์เราจะพยายามคณะกรรมการจะพยายามทําให้ดีที่สุดทองสิริทองแถมคุณชายปั๊มเนี่ยหมอประหลัดสวงที่ท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาลุงตาลุงตาเก่าแก่ท่านเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแล เ, เรื่องออทองและเงินจุดนี้อยู่แล้วหลวงพ่อก็มั่นใจในความซื่อตรงของท่าน พอได้หลงตามอบความไว้วางใจแล้วหลวงพ่อเองก็เชื่อในญาติาในโยมในพี่ในน้องของหลวงพ่อเหมือนกันเพราะหลวงพ่อหลว ง, งพ่อเนี่ยหลวงตาท่านสอนแล้วโลภไปทําไมาต้องการอะไรกระดโกตัวเองก็อีกสักวันหนึ่งก็จะทิ้งอยู่แล้วขาดเหลืออะไรไม่พอไม่ลึกไม่พออะไรอยากอะไรหลวงตาสอนสอนพวกเราสรุปแล้วก็คือให้ เศรษฐกิจเพียงพอพอเพียงอย่าให้โลกโหโมกนะให้เสียสละต่อมวลมนุษยชาติอย่างองค์หลวงตาเป็นผู้พาเสียสละอย่างน้นเห็นไหมหลวงตาเนี่ยท่านเสียสละกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายเฮือกสุดท้ายคืออะไรก็ ค, คือนี่แหละเงินทุกบาททุกสตางค์นะที่เขาเอามาถวายมาในงานศพของเราให้เอาเข้าคางหลวงทั้งหมด เราเคยได้ยินไหมเราเกิดมาอายุทุกขนาดนี้ของทุกคนเราเคยได้ยินไหมครูบาอาจารย์องค์ไหนทำอย่างนี้พ่อแม่ของเราหรือใครทำอย่างนี้พวกเราได้ยินไหมอันนี้หลวงพ่อประกาศได้เลยพูดได้เลยว่ามีแต่หลวงตาของเราองค์เดียว เ, เป็นผู้เสียสละอย่างสุดๆเสียสละมาตลอดจนนาทีสุดท้าย อ, อย่างธรรมพิณากรรมที่หลวงพ่อได้อ่านให้ฟังจากครูนี้ เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะัตหาญาตโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะยึดแนวแถวองค์หลวงตาเนี่ยเป็นแนวทางหลวงพ่อว่านี่นะสุขคติถ้ายึดตามแนวแถวองค์หลวงตาแล้วสุขคติเป็นทางไปแต่ถ้าว่าเดินปลีกทางออกไปแล้วมีแต่ทุกขคตินะจะเป็นทางไปของพวกเราเพราะฉนั้นขอให้คณะัตหาญาติโยมทุกคนนะตั้งจิตอธิษฐาน อ, อีกแนวหนึ่งทีนี้ ขอน้อมจิตด้วยเป็นกุศลพวกเราท่านทั้งหลายขอบูชาพระคุณเหมือนกับพวกเราเป็นนึกพระพุทธญาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแต่บัดนี้พวกคณสิทธิ์านุสิทธิ์ขององค์หลวงตาขอน้อมจิต เ, เป็นเครื่องสักการะบูชาในพระคุณขององค์หลวงตาองค์หลวงตาจุติเนรพานไปแล้วก็ขอ พวกเราขอบูชาด้วยจิตใจทุกอย่างมอบให้แก่หลวงตาและก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านจเจริญด้วยอายุวันณะสุขขาภาระบุญกุศลที่หลวงตาที่เราทําดีที่สุดแล้วน่ยก็จะย้อนมาหาพวกเราขอให้พวกเราประสบอายุวันณะสุขขาภาระดวงตาเห็นธรรมในที่สุดด้วยเถอน